ธรรมคารวาทิคาถาันิมยังธรรมคารวาทิคาทายพนามาเซเยจจอตทิตาสัมพุทธาเยจจพุทธานาคตาโยาเจตระหิสัมพุทโธพ า, าุนังโสกนาสนุ พระพุทธเจ้าบรรดาที่ล่วงไปแล้วด้วยที่ยังไม่มาตรสรู้ด้วยและพระพุทธเจ้าผู้ขจัดโสของมหาชนในการบัดนี้ด้วยสัพเพสัทธรรมครุนวิหาริงสุวิหติจา อาทาปิวิหาริสันติเอสาพุทธานธรรมตาพระพุทธเจ้าทั้งปวงนานทุกพระองค์เขารพระธรรมได้เป็นมาแล้วด้วยกำลังเป็นอยู่ด้วยและจกเป็นด้วยเพราะธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเช่นนั้นเอง ตสมาหิอตาคาเมนามหัตตมาพิกังขตาสถัมโมขรุกาตโพสารังพุทธานัสสนางพระชนันบุคคลผู้รักตน วางอยู่เฉพาะคุณเบื้องสูงเมื่อระลึกได้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่จงทำความเคารพพระธรรมนาฮิธรรมโม อ, อธรรมโมจาอุปโปสมวิปากิโนธรรมและอาธรรมจะมีผลเหมือนกันทั้งสองอย่างหามิได้ อาธรรมโมนิระยังนตริงธรมโมปาปิติสุขติิงอาธรรมย่อมนำไปนรกธรรมย่อมนำให้ถึงสุขติธรมโมหาเวรคติธรรมจาริงธรรมแหลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเป็นนิธ ธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหาตีธรรมที่ประพฤติดีแล้วยอมนำสุขมาให้ตนเอสนิสังโซธรรมเมสุจินเนนี่เป็นอานิสงในธรรมที่ตนประพฤติดีแล้ว